พอสรุปข้ามาสมาเทศในอริยมรรคอีกครั้งหนึ่งสมาเทศในอริยมรรคหมายถึงสมาเทศที่กระชมซ้อมลงเป็นหนึ่งมีสภ า, าวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปรากฏขึ้นในจิตยอย่างแจ่มชัดแม้สมาเทศในขั้นสมถะก็ได้ชื่อว่าสมาธทศในอริยมรรค เพราะเป็นมูลฐานเป็นบาทฐานให้เกิดวิปัสนาที่สมาธทในอริยมรรคใช้การได้หมายถึงสมาที่ที่เราอบรมจิตใช้การพิจารณาหรือละเลึกตามรูกสิ่งต่างๆอันเป็นอารมณ์ของจิตจนกระทั่งจิตเกิดมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกขาตาแล้วทน้าทีพิจารณาสภาวัธรรมเรืยไปเจ้าสติก็ตามรูกไป จนกระทั่งเจตู้แจ้งเห็นเองแล้วสงบนิ่งเด่นสว่างอยู่ใน่ํากลางแห่งกิเลสและอารมณ์ดํารงตัวอยู่เป็นอิสระในถํากลางแห่งกิเลสและอารมณ์ต่างๆได้โดยไม่หวั่นไหวและไม่เกิดความยินดียินไลมีจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมอันนี้แล้วก็ไม่มีความหวั่นไหวต่อกิเลสและอารมณ์ได้ง่ายอันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรค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 อาการของจิตนี้คือความรู้สึกรู้นโกรู้ิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดร่ําเกื่อยไปแต่จะรู้ดีรู้ชั่วต้องอาศัยพลังของสติความคิดอ่านเป็นเรื่องของจิตจิตไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมเวลาภาวนาโพธิโธหรือพิจารณาตายทําไมจึง นิ่งหายไปเร็วนักพิจารณาพิจาภ า, าวนาพธิ์ทอหรือพิจารณากายเมื่อจิตสงบลงไปแล้วบริกรรมภาวนาก็หายไปจิตนิ่งเข้าสู่สมาธิความนิ่งอันนี้เป็นความนิ่งในเบื้องต้นจิตยังไม่ทรงพลังจึงไม่สามารถปฏิวัติจนไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมผู้ภาวนาควรจะได้พิจารณากายบ่อยๆเมื่อ มันหายไปถ้ารู้สึกว่ามันหายก็ยกเรื่องใจขึ้นมาพิจารณาอีกมันหายไปก็ยกขึ้นมาพิจารณาอีกบ่อยๆตั้มๆตักๆเดี๋ยวจิตมันก็เกิดพลังงานขึ้นมาเองต่อไปเขาจับภาวนาพิจารณาของเขาเองปฏิบัติทำโดยภาวน า, าพุทโธมาปีกว่าแล้วได้รับความสงบเบากายเบาใจพอสมควรจนเมื่อประมาณเดินเศษมาเนี่ เมื่อนั่งปฏิบัติชาวใดจะมีอาการตึงเครียดที่บริเวณหน้าผากและบริเวณจมูกทำให้เกิดพอกเหมือนปฏิบัติเอาความเครียดไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรอาการตึงเครียดปวดศีรษะปวดที่โลางจมูกเป็นอาการที่เราขมจิตบังคับจิตถ้ามันหยุดนิ่ง นา่ของเราถ้าจับบริกรรมภาวนาก็ภาวนาพโพธิโ์พโพธิ์โธิ์ช่วยเฉยเหมือนกับว่าเล่นเล่นไม่ต้องการผลตอบแทนอันใดถ้าจับพิจารณาก็เคิดยร์รวดเร็วไปแต่ว่าทำสติสจย่าไ ม, มีอาการขมจิตให้มันเกิดความสงบวิธีแก่กมีแต่เพียงมีเท่านี้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆแล้วจิตมีทรงพลั ง, งขึ้นเขาจะก้าวหน้าไปเองเราจะทราบได้อย่างไรว่า พระอริยสงฆ์องค์ใดมีลักษณะอย่างเป็นโสดาบันแสดงให้รู้ได้อย่างไรอันนี้ไม่ใช่พิสัยของเราที่จะไปเที่ยววิจารณ์ว่าองค์นั้นเป็นอราหันต์องค์นี้เป็นโสดาสกิทาคาอานาคาบางทีเราเข้าใจผิดเราอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมไปก็ได้เต่อย่างหนังสือเตรีมต่างๆที่ออกไปบางทีก็ยกจ่องพระซะจนเลยเลอะ เอาจนพระหลงตัวเข้าใจว่าตัวเป็นพระอาหารหันต์จริงๆก็มีขอกราบเรียนถามว่ากําลังปฏิบัติสมถะอยู่แต่ไม่สามารถทําใจให้สงบได้เลยจะมีสงบก็เพียงเล็เดียวถ้าจะไปปฏิบัติที่เรื่องคามวิปัสสนากําหนดดูรูปนาำขอเรียนว่าจะเป็นการขัดข้องหรือไม่ไม่เป็นการขัดข้อง โดยประสบการบริกรรมภาวนาขณะนานานไปตอนอ่านตอนแรกนี่เจิบสงบดีแต่ทําไปมากๆพลังของสมาธิพลังของสติปัญญาดีขึ้นเจ็บเขาต้องการทํางานก็หางานมาป้อนให้เขาบ้างถ้าเขาไม่คิดไปพิจารณาก็พิจารณาหรือจะกําหนดดูความเกิดดับเกิดดับภายในจิตของเราก็ได้ อะไรเกิดดับในจิตก็คือความคิดกันเองถ้าจิตไม่คิดก็หาเรื่องมาให้มันคิดแต่มันคิดอยู่แล้วทำสติตามรู้ไปอันนี้เป็นวิธีการที่ทําจิตให้เดินก้าวหน้าไปเมื่อเวลาสํมรวมกายสํารวมใจเพื่อให้เกิดสมาธิในนึกถึงคุณพระพุะทธธรามประสงค์คราวใดรู้สึกว่าร่างกายจิตใจเกิดอาการต่อต้านเกิดความเสียดโดยเฉพาะมาเสียดเสียกล้ามเนื้อจิตตา พอถามหลงพาวาอาการเกิดขึ้นเพราะอะไรจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรในตอนแรกๆเราไม่ได้เอาใจใส่ตัวเองเราก็สบายในเมื่อมากําหนดจิตปริกรรมภาวนาหรือแล้วลึกถึงผลพระพทธประธรมประสง์เมื่อเราเอามามาเอาใจใส่ตัวเองขึ้นมาแล้วบางทีเราอาจจะใช้วิธีจิตที่มามาคิดมาพิจารณาเนี่ยมงงหน้าที่จะ ขมจิตให้เกิดความสงบพร้อมๆกันไปจึงมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นวิธีแก้ก็คือว่าพยายามเลือกบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาใดๆด้วยความเบาใจอย่าให้มีอาการขมจิตจะให้มีอาการขมอารมณ์หรืออาการที่จะขมจิตให้สงบเนียอย่าให้มีหน้าที่มีแต่เพียงพิจรารณาเรื่อยไปถ้าบริกรรมภาวนากับบริกรรมเรื่อยไป จตันจะบริกรรมภาวนาผู้โทผู้โทอยู่ตลอด G ี่24ชั่วโมงก็ปล่อยให้มันเป็นไปถ้ามันจะคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาก็ให้มันเป็นไปอานจิตของเรามีแต่ทสติตามรู้เท่านั้นแล้วในที่สุดจิตจะเกิดความสงบหรือไม่สงบก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอารมณ์นั้นๆในแง่พระไตรลักษณ์บ้างในแง่นนอริยสัจบ้รงซึ่งสุดแท่แต่พลังจิตจะบันดาลให้เกิดขึ้นเวลาทําบุญแล้วไม่ต้องสวดน้ําแต่ทําจิตให้นิ่งแล้ว เราเลิกุกเศส่วนโกศลอย่างไรจรึงจะได้ผลดีการทําบนแล้วถ้าเรามุ่งหวังที่จะให้โ อ, อุเทศให้แก่ผู้ใดกนนึกถึงผู้นั้นแล้วก็น้อมจิตน้มใจอธิฐานจิตขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนโกศลถ้าหากว่าทำโดยตนเองเราจะปลายถนาอะไรปลายธนาเอามรควนนิพพานก็ตั้งสัจยาธิ่ฐานอธิษฐานจิตปรายถนาเอาเพื่อเป็นการปลุกฝังศรัทธาของเราให้แก่งกล้าขึ้น ปัญหาต่อไปออขอลงพ่อช่วยขยายความค่าเตธรรมของลุงปู่ดุลที่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกควาหมายของคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกในขณะใจในขั้นเท่สุดขัด เช่นอย่างเราปริกรรมภาวนาผู้โธผู้โธผู้โธอยู่บางทีเรากําหนดจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกบางทีก็กําหนดไว้ที่กลาง อ, อกทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเผล อ, อแล้วมันส่งก็จะออกไปข้างนอกเรียกว่าส่งจิตออกนอกทีนี้ในการปฏิบัติในขั้นต้นๆเ น, นี่ยจิตมันก็ออกบั่งเข้าบาั่งออกบั่งเข้าบาั่งแต่จิตท่านว่าอยากส่งจิตออกนอกนั้น เป็นการเตือนเอาไว้เพื่อให้เราพยายามสับรวมจิตเข้ามาในตัวของเราให้มากที่สุดทีนี้เมื่อเราภาวนาเก่งแล้วจิตสงบแล้วสมาธิมีแล้วสติปัญญามีแล้วบางทีจิตมันก็ปฏิวัติตัตวตปเองโดยอัตโนมัติบางทีมันก็ออกนอกบ้างเข้าในบ้างซึ่งแล้วแต่พรมกำลังปัญญาของจิตจะให้เป็นไป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 เวทนาที่เราจะรู้ได้ความเด็ดขาก็ดีเจ็บหัวเขาก็ดีเพราะเรามีจิตในเมื่อกาหนดจิตลงรู้ที่นั่นก็เรียกว่าพิจารณาเวทนาเต่จิตเป็นผู้รู้เวทนานั้นทีนี่การพิจารณาจิตในจิตหมายถึงว่ากาหนดจิตที่กาลังคิดอยู่หรือในการที่เราคิดว่าหัวเขามันเจ็บมันเกิดเด็ดขาดแม้จะเป็นการพิจารณาหัวเขาแต่เราจะชื่อว่าพิจรารณา จิตรู้อยู่ที่จิตก็ได้เพราะจิตเป็นผู้รู้ เ, เรื่องของเวทนาเนี่ยกายเวทนาจิตทมเมื่อเรากำหนดจิตตู้ลงที่จิตแม้ว่าเราไม่ได้กําหนดกายไม่ได้กําหนดอะไรเป็นได้เพียงกําหนดจิตอย่างเดียวทนาที่จิตกับกายยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่แยกจากกาันเหตุการณ์อะไเกิดขึ้นที่กายจิตเขารู้หมด กายนั่งตรงหรือไม่ตรงจิตเขาก็รู้กายมีทุกข์มีสุขเขาก็รู้กายจะเคลื่อนไหวไปมาอะไรเขาก็รู้อะไรมากระทบกายเขารู้หมดทั้งนั้นแต่ว่าจิตเป็นผู้รู้ที่ในการพิจารณาเจตใจเจตใ น, ตนหมายถึงการกำหนดรู้ความรู้จึกนึกคิดเพื่อรู้ในจิตอย่างเดียวอันนี้ในโละเจตของเรายละเอียดลงไปแล้วมันจะแยกของมันเองมาที่เป็นการขจัดความคิดฟุ้งซ่าน แต่ก็จาเป็นก็รจิตจะได้มีกำลังผูกหรือไม่สมาธิเป็นการกำจัดความผุ้งสร้นของจิตจะเป็นฐานที่สร้างพลังของจิตแต่เมื่อสมาธิมั่นคงสติมีความาสติสมัมปชัญญะมีพลังงานาเพียงพอแล้วแม่จิตจะมีความคิดอยู่ถ่ายสติสามารถตามรู้ทันความคิดทีิคิดอยู่ทุกเวล า, าจิตได้ ไม่ได้จะว่าเป็นจิตฟุ้งร้านเป็นจิตเกิดปัญญาความรอบรู้ <c oughs> เออคำ <c oughs> ถามนีเวลาทำความดีแล้วอยากจะทำตลอดไปแต่ก็ต้องมีเสียงหนึ่งเสียงใดอยู่เสมอทำให้มีโมโหไม่ทราบว่าจะแก้ย่างไรการแก้ ก็เืิดขาดทำสมาธิให้หมากมา ก, มกทีนี้เมื่อเกิดโมโหมาก็ให้มีสติอย่าให้ความโมโหมันชักพาไปทำสิ่งที่ไม่สมมาพาควรให้มันเกิดขึ้นถ้าหากว่เราระงับได้ไม่ทำตามความโมโหวความโมโหที่ทีหลังมันมันสั่งเราไม่ได้เราเป็นหลบน้องที่ไม่เชื่อฟังมันมันจะไม่สั่งให้เราโมโหอีกต่อไป เมื่อก่อนี่หน้มันทำสมาธิพอสมควรแต่มายังระยะหลายดืวนหลังมานี่ทําสมาธิไม่ได้เลยใจอยากภาวนาแต่ทําไมจึงเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นมานสาหรับมาตัดกลางความเจริญก้าวหน้าที่เกิดความเบื่อหน่ายเพราะเอาแต่นั่งบริกรรมภาวนามุ่งที่จะให้สงบอย่างเดียวในเมื่อบริกรรมภาวนาเจ็บสงบมีปีติมีความสุขมีความพอใจความมั่นขยันมันก็เกิดขึ้นบ้าง ที่นี่สมาธิลำพังใจความสงบมีปิติมีความสุขมันสวมได้นี่ในเมื่อเกิดความสงบแล้วเราหัดพิจารณาให้จิตใจมันทราบซึิงถึงคุ ณ, ณธรรมเราจะพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ดียางนั้น ด, น, น, นดีอย่างนี้หรือการทําบุญทํากุศลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้เกิดมีความกระตรือรือร้นให้กยากปฏิบัติความเบื่อหน่ายมันจะค่อยหายไป เมืเจตกลับจากพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเมืเจตต้องการอยากจะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นรอบตัวอ น, นั่นเจตเขากําลังจะเดินไปสู่ความรอบรู้เขาโลละ ว, ว่าสิ่งที่จะทําให้เขาเกิดสุขเกิดทุกข์คือเหตุการณ์ในปัจจุบันคือสถานอาการในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวในปัจจุบันพิจารณาไปทางพระไตรไ ล, ลักษณ์เป็นการถูกต้องทงําไง จะให้มันภาวนาได้ก็ต้องข่มใจให้มันหมั่นสิตัวเองไม่ข่มจะขยันได้ไงการจับลมหายใจจนเจ็บนิ่งสงบแล้วทางกระผมจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปเมื่อจิตใจสงบแล้วแต่ในเราสามารถที่จะเลิกคิดได้อยู่อันนั้นเจตยังไม่สงบจางแน่นิ่งการจับลมจับลมหายใจจ็บสงบแล้ ว, ด, ลลวดูลมหายใจต่อไป ถ้าเจ็บจังดูลมหายใจลมหายใจยังปราบปดอยู่ให้ดูลมหายใจต่อไปโลไปจนกระทั่งลมหายใจระเอียดลงไปจนกระทั่งหายขาดไปจนกระทั่งตัวหายยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวเรียกว่าเจ็บสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวความรู้ความคิดอะไรไม่เกิดขึ้นเมื่อเจ็บถอนออกจากสมาธิยาวเพิ่งรีบหน้าอาออกจากที่นั่งสมาธิทันทีให้ทสำสติกําหนด คอยจ้างดูความคิดที่จะเกิดขึ้นเมื่อเจตถอนออกจากสมาธิมาแล้วมาสัมผัสว่ามีร่างกายความคิดเกิดขึ้นทันทีเมืความคิดเกิดขึ้นเริ่มทำตติตามรูความคิดนั่นไปเหมือนกับปลิกรรมภาวนาปล่อยให้ความคิดมันคิดไปคิดไปคิดไปคิดไปแล้วัำต่อทําสติตามรูไปตามรูไปเมื่สติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตจะได้วิสุวิจารปีติสุขเอกอข้ตาเนีมีความสงบลงเป็นสมาธิอย่างที่เคยเป็นมาแล้ว เราเลอะไม่สงบเราก็จะได้สติปัญญาเพราะความคิดอ่านที่เกิดขึ้นดับไปเป็นอารมณ์เครื่องลุกของจิตเครื่องรลอะลึกของสติเราทําสติกําหนดรู้อยู่กับสิ่งนั้นเป็นการพิจารณาหนักเข้าจะรู้ภัยรักรเกลีนิจังทุกขังหน้าตาในทุกโลกทุกอริยสัจอย่างพิเทศษมาแล้วในตอนต้นไงขอถาบพระมรรคการถามมานั่งสมาธิแล้วทําให้เกิดจิตทำให้กิเลสหลุดได้อย่างไรนั่งสมาธิแล้วถ้าหากว่าจิต สงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีเตมีความสุขจนกระทั่งจิตสงบเป็นเอลกัคตากิเลสมันก็หลบไปได้ชั่วขณะที่จิตอยู่ในสมาธิสมาธิอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะคนกิเลสไว้ชั่วขณะหนึ่งนอกจากสมาธิแล้วมันก็ยังมีอย่างเก่าแต่เราก็ต้องนั่งสมาธิทําสมาธิเอ่อยไปนอกจากจะทําจิตให้สงบแล้วก็มันพิจารณาดูเหตุผลของสิ่งต่างๆ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 แต่ถ้าจะฝึกสนให้เจตเกิดความหมั่นความขยันขึ้นมาต้องขมเิตขมใจทำนั่งมันเกิดหลับก็ฝึกขัดเดินสมาธิยืนสมาธิโดยวิธีการที่มันจะไม่เกิดความหลับมีคนทรงเขาพยายามจะบังคับให้เป็นคนทรงอย่างเขาโดยที่ครูต่างๆทําให้ตัวจะทําอย่างไรได้ อันนี้วิธีการก็คือว่าทำใจให้กล้านอกจากจะทำใจให้กล้าโดยความตั้งใจแล้วเกิดขาดทำสมาธิทำสมาธิให้มันได้สมาธิจริงๆให้มีสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วให้จิตใจแน่วแน่ต่อคุณพระพุะทธธรรมประสงค์อย่างมั่นคงอย่าคลวงแคลนอันนี้มีตัวอย่างนายคนหนึ่งเป็นคนทรง ก่อนที่จะเกิดการทรงนั่มเขาก็ทําสมาธิตามแบบพิธีที่อาจารย์เขาสอนเมื่อทําสมาธิบริกรรมภาวนาไปเจตสมดมีปีติมีความสุขรู้สึกสบายหรือรนอีกสักพักหนึ่งร่างทรงวิญญาณทรงก็เข้ามาประทับพอวิญญาณทรงเข้ามาประทับแล้วรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายเขาก็ไม่ต้องการแต่ว่ามันสายเสียแล้ววิญญาณเข้าส่งจนเต็มแก่จนเต็มตัวแล้วก็เลยต้องปล่อยเลยทำเลย แต่มาวันหลังเขาตั้งใจจะภาวนาเอาพิธีการทำสุขตรงที่เราต้องการเขาก็ภาวนาอย่างที่อาจารย์พูดทำพิธีส่งสอนให้พอภาวนาไปจิตสงบสว่างลงวิญญาณที่เขาส่ก็โผล่หน้ามา ท, าทันทีเมื่อเขาเห็นวิญญาณเข้าม า, าจะมาทรงเขาก็กําหนดจิตต่อต้านเขาบอกไม่ให้ทรงแล้วโดยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์กับพระสิวะใครจะแน่กว่ากัน เขาก็กำหนดจิตทรงดูอยู่สักก้าวหนึ่งด่างกสิวะก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือหลังจากท่านบริกรมรมภาวนาแล้วตโกถากสิวะก็ไม่มีแต่เรามั่นต่อบพระพุทธกรรมประสงค์ทํำจิตให้แน่วแน่มีส ต, ติสัมปชัญญะภาวนาจนได้สมาธิได้สติปัญญาล่างทรงมันเข้ามาส่งเราไม่ได้ <c oughs> ถ้าหากเรายังยังไม่มั่นคงในคุณพระพุทธกรรมประสงค์เรามันก็มีโอกาสที่จะทรงเราได้ ก็พร้อมปฏิบัติจ่าพอพร้อมปฏิบัติอยู่ประจำเคยยกจิตขึ้นเหนือหัวแล้วมองต่ำลงมาเห็นรูดตั่งเป็นสมาธิของตัวเองแล้วมองกตลกศีษะก็เห็นเป็นกระดูกแต่ไม่ใส่มองต่ำลงไปก็เห็นกระดูกตากระดูกซี่ก็เรื่กระดูกอื่น การปฏิบัติตอนนี้การเป็นความพิจารณาอภิกรรมฐานทีนี้บอกจิตนี้สมาธิดีถ้าเราเพ่งไปที่ตรงไหนเราจะมองเห็นที่นั่นแล่สิ่งที่เราเห็นนั้นถ้ามองเห็นเฉยๆมองเห็นนล่วนิ่งอยู่เป็นสมาธิขั้นได้อุคหานิมิตแต่ถ้ามองไปที่ตรงไหนมองเห็นนล่ว เช่นมองเห็นกระดูกกระดูกก็มีอาการเปลี่ยนแปลงจากขาวเป็นดำบ้างบางทีก็หักเป็นส้นน้อยส้นใหญ่บ้างบางทีก็เป็นผงแหลกละเอียดตรงไปบ้างอันนั้นจิตอยู่ในขั้นปฏิภาคนิมิตรจิตกําลังเริ่มจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมาฐาน <c oughs> ให้เพ่งไปตามที่ถามมานี่หละดี <c oughs> การ ส, สาร้างศาลพระภูมิ <c oughs> เป็นพิธี ท, ทางศาสนาธรรมเพราะฉะนั้นจําเป็นหรือไม่ ที่จะตั้งศาลรพระภูมิในบ้านอันนั้นมีอันนี้มีทั้งความจําเป็นในไม่จําเป็นถ้าเรามีจิตใจแน่แน่ว่าเราจะเยึดพระพุทธธรรมประสงค์เป็นตะลอน้ที่พึ่อเคารพ ก, กันจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องตั้งศาลพระภุมิมาหากว่าเรายังระแวงสงสัยอยู่ว่าถ้าไม่ตั้งศาลพระภูมิเดี๋ยวพระภูมิจะมาทำร้ายเอาเราก็ควรจะตั้งให้ทันบ้างแต่ถ้าเราไม่คล่องใจเราก็ไม่ต้องตั้ง เอ า, ร พ, าพระพุทธเจ้าพระพุทสหลบไปตั้งบนห้องพระเราแล้วก็กราบไหว้บูชาอยู่นั่นถ้าพระภูมิเก่งจริงก็เชิญมาไหว้พระสดมวลร่วมกันจะได้ไปสวปรรค์ก็สามเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่เจ้ากรรมนายเวรก็คือวิบากผลของกรรมนั่นเองใครทำกรรมใดดีไว้อดีก็ตามชั่วก็ตามได้รับผลของกรรมนั่นเจ้ากรรมนายเวรไมาถึงหมายถึงคู่อาฆาตเช่นอย่างนายกอทะเลาะกับนายขอ ใจ็นายกรฟันคอในาขอขดัดเจ็ดอาคาตของนายขอที่ถูกฆ่าตายมันยังถูกกรรมจองเวรกันอยู่อันนี้เรียวกว่าเจ้ากรรมเจ็ดที่มีความพยาบาทอาฆาตกันนั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรมีจริงแต่อย่างเราเองจะทําเผ็บกระใครสักคนหนึ่งแล้วเขาคอยจ้องที่จะทําร้ายเราอยู่นั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรของเรา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 เะในเมื่อจิตสงบแล้วมันเป็นความเป็นเองของจิตมันจะอยู่ในระดับใจเพียงใดหยาบรละเอียดกลางเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปหาเขาจะดึงลงไปจนกระทั่งตัวหายรู้สึกว่าตัวหายก็ปล่อยไปแต่เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วพอเกฏมีความคิดทำสติตามรู้ความคิดจิตจะเข้าขึ้นสุภูมิแห่งวิปัสสนาได้ในหลักที่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานเดินทำพูดคิดทุกงลมหายใจ การพิจารณาธรรมการพิจารณาธรรมจิตควรอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิหรืออุปจาระสมาธิขอยืนยันว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจะไปพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่อยู่ในอุปจาระสมาธิเนี่ถ้าเป็นอุปจาระสมาธิจริงๆจิตจะปฏิวัติชนไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจหากเราตั้งใจพิจารณาได้อยู่เปลี่ยนความคิดได้อยู่ โดยความตั้งใจจิตของเรายังไม่มีสมาธิเป็นแต่เพียงสามารถบังคับจิตให้อยู่ในขอบที่เราต้องการเท่านั้นเองส่วนของโลกพาไปปฏิบัติสรรัมมากียก็เลยทำให้จิตใจไม่มั่นคงประเดี๋ยวโพธโถ่ประเดียดเด๋ยวสัมมาอาราหังอยู่ดีๆก็หันไปจับดวงแก้วอีกปฏิบัติตามทางพโพธโธมาสิบกว่าปีตอนนี้จิตไม่มั่นคงเลยจะทาอย่างไรดี โปรดตัตาแนะนําการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะจับอันใดอันหนึ่งสักอย่างหนึ่งก็ให้มันเหนียวแน่นอย่าไปเปลี่ยนบ่อยนักนอกจากสัมมาอรหังนอกจากพุโทโธจอาอะไรก็ได้หรือจะมาฝึกขัดกําหนดสติตามรูปการเดินเดินนั่ ง, น, น, งนอนกินเดินทําพวดคิดไม่ต้องลึกอะไรก็ได้แต่ว่าต้องทําจริงๆถ้าจับน้นวางนี่ผลมันจะไม่เกิด จิตภาวนาพู้โทมาตั้งสิบปีไม่เกิดผลเพราะว่าเราไปมุ่งเอาแต่ให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิทีนี้ภาวนาพู้โทไนานๆแล้วจิตมันไม่สงบหรอกเพราะมันมีพลังทางสมาธิมันสามารถตนให้จิตเกิดความคิดเก็จะนั้นช่วงใดที่เราภาวนาพู้โทพู้โทพู้โธอยู่ถ้าจิตอยู่กับพู้โทปล่อยให้าอยู่ไปถ้ า, าเขาทิงพูโ้โธเสียไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้เขาคิดไปแล้วทําสติตามรู้ไป จิตที่พิจิตรคิดเชดไปนั่นเปรียบเนงูมันออกหาเหยื่องูเวลามันอิ่มแล้วมันก็นอนอยู่ในโพรงของมันเวลามันหิวมันก็รัวออกไปหาอยู่หากินกินอิมท้องแล้วมันก็เข้ามากรบอยู่ในที่เก่าจิตของเราเวลามันหิวอาหารมันก็คิดโน่นคิดนี่เพราความคิดนั่นเป็นอาหารของจิตถ้าเรามัวแต่ไปห้ามจิตไมให้มันเกิดความคิดเดี๋ยวมันไม่มีพลังงานมันจะกลายเป็นจิตผอมโซ่ เ้าเจ็บหอมลงไปแล้วมันจะไม่คิดมันกลายเป็นเจ็บที่เจียรติเมื่อทำเจ็บให้สงบนิ่งได้มันก็นิ่งได้แต่มันเป็นเจ็บปดผูมันไม่ใช่เจ็บสมาธิเพราะฉะนั้นเวลามันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดบ้างอย่าไปห้ามมันถ้าไปห้ามแล้วมันตัดคอนอาหารก็มันมันไม่ได้กินอาหารมันก็หมดกําลังสิเพราะว่าจิตจะมีพลังขึ้นมาได้ต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งระลึกดีแล้วสติจิตมันคิดเอง ถ้าเราภาวนายกหนอปองหนอสัมมาระหังคโคโรเนี่ยเราหาคำนั้นมาป้อนให้จิตแล้วยังจะต้องทำสติควบคุมอีกด้วยเมื่อจิตของเรามันเคลื่อนมาเองเราเพียงแต่ทาสติตามรู้เท่านั้นมันก็นง่ายเราทํางานท่าเดียวไม่ต้องไปแบกทั้งสองอย่างภาละที่จะหาสิ่งรู้ให้จิตนั่นเป็นอันหมดไปเพราะเข้าหาขเข้าเองแต่จิต ท, ที่เราจะตั้งใจก็คือทําสติตามรู้ไปการจเจริญสติ อยู่ในอิริยบทเนืงเองๆกบบการนั่งทำสมาธิอย่างไหนจะได้ผลในการปฏิบัติเราทารเดินจมเวลาเดินอย่างหนาะแอย่างหนซ้ายอย่างหนอการเจริญสติ <c oughs> นอกจากที่เราจะนั่งสมาธิแล้วเราเจริญสติในท่านั่งก็เรียกว่าเจริญสติในท่านั่ง ถ้าเจนเดินนั่งนอนเินเดินทำพูดคิดจเจริญสติอยู่เนืองๆก็เรียกว่าจเจริญสติกับสิ่งนั้นๆทีนี้การเดินจงกรมเราจะเนื ก, กว่าย่างเนาะเดินหนอหนั่งหนอกินหนออะไรหนอก็แล้วแต่จะว่าไปแล้วแต่ถนัดถ้าถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเวลาจเจริญภาวนาพุโทโธเวลาเดินว่าขวาอย่างหนอะซ้ายอย่างหนอเวลานั่งภาวนาพุโทโธจะได้หรือไม่ ถ้าเอาอันใดก็เอาอันเดียวทั้งในท่านั่งในท่าเดินแต่มันแนวแน่เดินม่ได้เคยฆ่าเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารแต่ปัจจุบันเลิกแล้วการกระทำนั้นนับว่าเป็นบาปาใช่ไหมใช่ในท้าบทจะล่าจอนพรโทษให้จะกระทำได้อย่างไร าการกระทำกรรมเป็นเรื่องของตัวเองจะต้องเนผู้รับผิดชอบหลานจะผอโทษให้ด้วยการทาบุญอุทิศไปให้บางทีอาจจะทําให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทําไปให้แล้วกรรมที่ได้รับอยอาจจะย้อนลงก็ได้การทําดีแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการผ่อนคลายหรือผ่อนผลกรรหนักให้เป็นเบาลงไปได้ รายการตอบปัญหาในวันนี้ก็เป็นแน่ว่าจบลงพอดีเพราะหมดปัญหาที่จะตอบ